มาทุกวันนี้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อนเยอะเพราะว่ามีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องทุนแรงที่ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยง่ายแล้วก็ยังมีความพั่งพร้อมบริบูรณ์ด้านวัตถุคนที่จะหิวจน หิวตายหรือว่าอดอยากคิวโหยนี่มีน้อยมากก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เรียกว่ามีชีวิตที่ไม่ต้องห่วงกังวลเรื่องพวกปัจจัยสี่แต่ทำไมทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่น้อยไปกว่าคนแต่ก่อนหรืออาจจะมากกว่าได้ซ้ำ ในเมื่อเรามีความสะดวกสบายหรือมีความสุขกายแต่ยังมีความทุกข์อยู่ก็แสดงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นความทุกข์ใจเสียเป็นส่วนใหญ่คนสมัยนี้นี่ความทุกข์ใจนี่มันครอบงำชีวิตของเราไปไม่น้อยทีเดียวทำไมถึงทุกข์ใจนะ สาเหตุใหญ่ก็เพราะว่าไอความคิดของเรานี่แหละมันมันเล่นงานเราคนเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกเพราะความคิดที่จริงความคิดนี่มันมีประโยชน์นะความคิดนี่มันช่วยทำให้เราได้มีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น แต่ที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าเรามักจะปล่อยให้ความคิดนี้มันมาเป็นนายเราความคิดนี้มันเป็นบาวที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวเหมือนกับเงินนะ่นนะเงินเนี่ยเป็นบาวที่ดีถ้าเราใช้เงินถ้าเราเป็นฝ่ายใช้เงินเราก็สามารถจะใชใ้ไปในทางที่ถูกต้องได้ แต่ทุกวันนี้คนตัา น, น, น้อยน้อยปล่อยให้เงินมาใช้เราเงินกลายเป็นนายเราเราถือเงินเป็นพระเจ้าเรายกให้เงินเป็นนายเรานายเงินมันสั่งให้เรานะไปทำชั่วเราก็อาจจะทำได้ถ้าเกิดว่าเราให้เงินเป็นนายเราเดี๋ยวนี้เงินมันสั่งให้ใครต่อใครไป วนไปจี้ไปค้าไปโกงมันถึงเกิดปัญหา c o r r รั t i ันอาัจจากรรมมากมายฉันได้ก็ฉันนั้นความคิดเนี่ยถ้าเราสามารถจะคุมมันได้มันก็จะเป็นบ่าวที่ดีมากแต่ทุกวันนี้เนี่ย เราปล่อยให้ความคิดมาเป็นนายเราเราก็เลยทุกขเพราะความคิดปล่อยให้ความคิดเป็นนายหมายความว่ายังไงก็หมายความว่ามีความคิดอะไรก็เชื่อมันหลงเชื่อความคิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจของเรารวมทั้งปล่อยให้ความคิดนี่มันเตลิดเปิดเปิงไปจนกระทั่งเราคุมไม่ได้ ที่ทุกวันนี้นอนไม่หลับก็เพราะว่าปล่อยให้ความคิดเป็นนายใช่ไหมความคิดมันกลายเป็นใหญ่จนกระทั่งเรานอนไม่หลับบางคนก็กุ้มใจเพราะามันคิดแต่เรื่องที่สูญเสียเงินหายคนรักตายจากผ่านไปแล้วเป็นเดือนเป็นปี ก็ยังเสียใจอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันคิดแต่เรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้าเล่าหรือไม่ก็วิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวิตกกังวลเกี่ยวกับหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายวิตกกังวลเกี่ยวกับงานที่ยังค้างคางอยู่วิตกเกี่ยวกับลูกหลานที่จะต้องสอบเข้ามมหาวิทยาลัย หรือว่าพิตกกำลังเกี่ยวกับตัวเองว่าตอนนี้เจ็บป่วยอยู่จะเป็นอย่างไรโลกมันจะลุกลามแค่ไหนถ้าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายนะเราก็จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เตือนเราวไว้ในบทสวดมนต์ก็คือว่าอะไรในสิ่งที่ผ่านไป แล้วก็พวงในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นนายความคิดเวลาเราจะนึกถึงอดีตเราก็จะนึกด้วยเราก็จะคิดด้วยการใคร่ครวนแต่ถ้าเราปล่อยความคิดเป็นนายเราเราก็จะคร่ำครวนแทนมันต่างกันมากนะระหว่างคร่ำครวนกับใคร่ครวน ที่คร่ำครวญกันเพราะว่าปล่อยให้ความคิดเป็นนายมันก็เลยเอาแต่คิดเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ยอมเลิกแต่ถ้าเราเป็นนายความคิดเวลาเราจะคิดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็จะใคร่ครวญหาบทเรียนในตอนเดียวกันถ้าเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราแล้วก็เอาแต่พะวงหรือกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงใจมันก็คิดแต่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็พะวง จะให้มันหยุดก็หยุดไม่ได้มันก็ยังพะวงอยู่บางทีมาสวดมนต์อยู่ตอนนี้ก็ยังคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็หนักอกหนักใจนี่เพราะเราปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราแต่ถ้าเราเป็นนายความคิดนี่เวลาเราจะนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็จะเช่นเราก็จะมีการวางแผนเราจะวางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำในอนาคตไม่พะวงไม่กังวล น, นะ แต่ว่าวางแผนด้วยสติด้วยปัญญามันต่างกันเลยนะทำไมเราถึงปล่อยให้ความคิดมากลายเป็นนายได้ส่วนหนึ่งก็เพราะทุกวันนี้เราเอาแต่คิดคิดคิดเราเอาแต่คิดทีแรกเราเป็นฝ่ายตั้งใจคิดแต่พอคิดไปคิดไป ไอความคิดนี่มันเกิดเหมือนกับเหมือนกับสัตว์เนี่ยที่มันให้ได้อาหารมากๆเนี่ยมันก็เริ่มพยองแล้วมันก็ไม่ยอมที่จะอยู่ในอำ น, นาจของเราละมันอยากจะเป็นอิสระนั้นมองเป็นสลับก็คิดของมันเองเราไม่อยากคิดมันก็คิด เดี๋ยนี้หลายคนเป็นอย่างนี้ลวกคิดแล้วเป็นทุกข์ก็ยังคิดหยุดความคิดไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการศึกษาทุกวันนี้มันเป็นเน้นเรื่องการคิดมากนะการศึกษาตั้งแต่ประถมมัธยมอุดมปริญญาตรีโทเอกก็เน้นแต่เรื่องการคิดเราถูกฝึกมาให้คิดจะให้เก่งเราแข่งกันคิด แล้วเราก็ฝึกการใช้ความคิดจงกระทั่งมันกลายมันมีอำนาจเหนือเราสมัยก่อนเรียนแค่ป .4 ก็พอแล้วเดี๋ยวนี้เรียนถึงมัธยม6ก็ยังไม่พอ12ปีเรียนต่ออีกปริญญาตรี4ปีไม่พอละเรียนโทอีก2ปีหรือ3ปี เดี๋ยวนี้ก็เรียนเอกอีก4ี่ปี5ปีเราถูกฝึกมาให้คิดเก่งหรือใช้ความคิดติดต่อกันมา20กว่าปีหรือเกือบยีปีอันนี้มันก็ไม่เป็นปัญหานะเท่าเกิดว่าเราฝึกอีกอย่างหนึงด้วยคือฝึกให้รู้จักหยุดคิดให้รู้จักวางความคิดแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น คือฝึกให้คิดเก่งแต่ว่าไม่ได้ฝึกว่าจะหยุดความคิดหรือจะวางความคิดได้อย่างไรมันเป็นการศึกษาที่ไม่ครบถ้วนผลก็คืออะไรมันก็คล้ายๆกับรถที่วิ่งเร็ววิ่งแรงนะแต่ว่าไม่มีเบรกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น เราอยากนั่งในรถแบบนี้ไม่ว่ามันจะยี่หอ้อเบนซ์เชฟโรเลตนะหรือว่าโรลส์รอยมันวิ่งเร็ว200กิโลต่อชั่วโมงหรือกว่านั้นแต่ไม่มีเบรกอ่นะเป็นเร า, าเราคงไม่นั่งนะหลวงพ่อคูยังไม่นั่งในรถแบบนี้เพราะว่าตายสถานเดียวจะหยุดได้ต้องชนชนชนต้นไม้ถึงจะหยุดหรือเกาะกลางถนน ถ้วันนี้ชีวิตของจิตจังเราเป็นแบบนี้นะก็คือเหมือนรถที่แล่นเร็วแต่ว่ามันไม่มีเบร k หรือเหมือนกับเครื่องบินที่สามารถจัทยานขึ้นฟ้าได้แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ที่จะพาล่อนลงได้นักบินที่สามารถในการพาเครื่องบินขึ้นฟ้า แต่เอาลงดินไม่ได้นี่นักบินอย่างนี้ไม่มีใครจ้างเป็นนักบินนะนะแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนไม่น้อยที่ผ่านการศึกษามายิ่งเรียนสูงเท่าไหร่นะก็ยิ่งน่ากลัวทุกวันนี้เราเรียนผูกเก่งแต่เราเรียนแก้ไม่เป็นนะก็คือเก่งในเรื่องความคิด แต่วางความคิดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้ผลที่สวดคืออะไรความคิดก็กลายเป็นนายเราถ้าเราต้องการเป็นนายความคิดเนี่ยนะเพื่อให้มันกลายเป็นบ่าวที่ดีเป็นคนรับใช้ที่ดีเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีที่จะหยุดที่จะวางความคิดได้ถึงเวลาคิดคิด ถึงเวลาไม่จะเป็นต้องใช้ความคิดก็วางเช่นเวลาจะนอนอเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเราหยุดความคิดได้เราหลับได้ถึงเวลาจะนั่งสมาธิเราสามารถที่จะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับเรืยอบทการเคลื่อนไหวใจสงบนิ่งได้นะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องวางความคิดหรือว่า จะให้รู้ทันความคิดก็ทําได้วิธี2วิธีหนึ่งที่สําคัญมากในการช่วยทําให้เราสามารถจะควบคุมความคิดได้ก็คือการเจริญสติการเจริญสติทําให้เรารู้ทันความคิดนะไม่ปล่อยให้ความคิดนี้มันลากลู่ถูกลางเราไป มีความคิดเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าจะเชื่อมันแต่พื่ตะพือนะรู้จักตั้งคำถามกับความคิดที่เกิดขึ้นในใจคนทุกวันนี้เสียพูดเสียคนเพราะว่าไปเชื่อความคิดแต่ไม่รู้จักที่จะทักท้วงความคิดหลวงพ่ อ, พอเขียนนี่คไล่ฟังเมื่อสมัยที่ 3ับปีก่อนสมัยท่านอยู่ท่ามาไฟหวานก็มีพระหนุ่มมาบวชพี่ชายพามาท่านก็บวชให้แล้วก็นาแนะนาให้เขาปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่างที่พวกเราทำนี่แหละแต่เขาทำไปได้เขาบวชได้ทั้งสองสามวันเดินบ้างไม่เดินบ้างปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง วันที่สองวันที่สามเขาก็มาขอสึกกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่สึกให้เพราะว่าเพิ่งบวชไม่เท่าไหร่เองแล้วก็ไล่ให้ไปปฏิบัติต่อให้ไปเดินจงกรมต่อเขาเดินจงกรมได้สักพักไม่ถึงชั่วโมงมันก็กลับมาหาหลวงพ่อใหม่ขอสึกอีกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกไม่สึกให้ เขาก็ผิดหวังนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปปฏิบัติไปเดินตรงกรมสร้างจงหวะเขาก็กลับไปอย่างเสียไม่ได้ถ้าพับ ก, กรรมอีกนะจะยืนยันจะสึกให้ได้เขาก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะมาบวชผมไม่ได้ตั้งใจจะมาปฏิบัตินะ ผมมาบวชนี่ไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติพี่ชาให้มาบวชนะตอนนี้ผมก็บวชแล้วนะผมเจ้าก็จะศึกพนอะพูดดีนะผมมาบวชนี่ไม่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติหลวงพ่ออมเขียนก็เลยถามว่าที่ท่านมาหาผมเนี่ยอะไรอะไรพาให้มาหาผมก็ราตอบว่าความคิดครับความคิดพาให้มาหาหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่าแล้วคนเราต้องเชื่อความคิดทุกอย่างเหรอถ้าเราทําตามความคิดทุกอย่างนี่เราไม่แย่เลยสุดท้ายก็สรุปก็คือหลวงพ่อไม่บวชให้เขาก็เดินจากไปวันรุ่งขึ้นมาทําวัดแต่เช้าหลวงพ่อมาทำวัดแต่เช้ า, เ, ชาเขาเห็นหลวงพ่อเขาก็รีบมาหาหลวงพ่อเลย จากคนนี้ไม่ได้มาเพื่อจะขอศึกอีกนะแต่เขามาเพื่อจะขอบคุณหลวงพ่อเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ทักท้วงเขาพ่อคงเป็นไปเป็นฆาตกรแน่เพราะว่าเขาต้องการศึกไปเพื่อที่จะไปฆ่าคนสองคนคงจะเป็นคงจะหมายถึงเมียกับชั่วนะเขาวอาเมื่อวานเราคิดตลอดเวลาจะจะจัดการสองคนนี้ยังไงจะหาปืนจากไหน จะไปฆ่าอย่างไรแล้วจะไปหนีหนีไปไหนเขาคิดตลอดเวลาเรื่องการฆ่าคนสองคนแต่หลวงพ่อทักท้วงเอาไว้คำถามที่หลวงพ่อถามเขาว่าพวกเราม่ต้องถ้าเราทำตามความคิดทุกอย่างเราไม่แย่เลยมันทำให้เขาได้คิดแล้วตรงนั้นที่ทำให้เขาเนี่ยไม่เชื่อความคิด เกิดได้ความคิดหรือเกิดได้คิดขึ้นมาว่าคืนทํานอย่างี้ตายแน่นชีวิตบันไลแน่นะก็เลยเปลี่ยนใจไม่สึกแล้วก็เขาก็บทไปตอไปอีกนานทีเดียวเนีเป็นสิบปีอันนี้เป็นตัวอย่างนะคนเราเนี่ยถ้าเราเชื่อความคิดเนี่ยก็ จ, จะลงเอยเหมือนผู้ชาย เหมือนพระรูปนี้ก็ได้นะก็คือเป็นเป็นฆาตากรอย่าไปคิดว่ากรณีแบบนี้นี่ไม่เกิดขึ้นกับเรานะคนเราถ้ามันมีความคิดหรือตกอยู่ในความคิดแล้วก็จมอยู่ในอารมณ์แล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทำอะไรก็ได้ เมื่อเดือนที่แล้วก็มีได้ไปมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสสจอของโคราชเขาก็ทะเลาะ ก, กับสามีมีปากเสียงกันเพราะว่าสามีไปกู้เงินสามีเป็นข้าราชการกรมราชทรณ์ไปกู้เงินมากมายแล้วคงจะเป็นหนี้ไม่มีทางจ่ายเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่าง เป็นนี่หลายร้านมีปากเสียงกันตัวสามีก็กลุหมอกกุ้มใจหลังจากที่ได้มีปากเสียงกันค่ำนั้นก็กลับไปบ้านแล้วก็ตัดสินใจยิงตัวตายแต่ก่อนที่ยิงตัวตายก็ยิงลูกสองคนตายแล้ ว, ลวยิงตัวตายตามไป เอาครอบครัวนี่เป็นครอบครัวธรรมดาๆรรก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ว่าพอเกิดปัญหาในชีวิตแก่ไม่ตกคงกลัวเสียหน้าด้วยนะเป็นข้าราชการแล้วเป็นหนี้หลายล้า น, นเสียหน้าก็คิดว่าอยู่ไปอยู่ไม่ไหวฆ่าตัวตายดีกว่าแต่ถ้าฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นห่วงลูก ว่าจะอยู่ยังไงก็เลยด้วยความหวังดีก็เลยยิงลูกตายเพื่อให้ลูกจะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นาธาตุหรือเป็นเป็นาธาตุหรือเป็นบ่าวของความคิดแล้วปล่อยให้ความคิดเป็นนายมันก็สามารถจะลงเอยแบบ น, นี้ได้แม้การที่เราเพียรพยายามที่จะ ฝึกใจให้เป็นนายความคิดนี่สําคัญมากเลยนะการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้ทันความคิดนะมันทำให้ถ้าเมื่อเรารู้ทันความคิดเราก็สามารถจะทักท้วงความคิดได้และการรู้ทันก็สามารถจะทําให้เราปล่อยวางความคิดไม่ถลําเข้าไปในความคิด รวมทั้งอารมณ์ที่เกิดจากความคิดด้วยไอ้ความคิดกับอารมณ์นี่มันคู่กันนะความคิดก็เป็นตัวปรุงแต่งอารมณ์เช่นเราคิดถึงคนที่เราเกลียดเราก็โกรธขึ้นมาทันทีเรานึกถึงคนเล่าที่ตายจากไปเราก็เศร้านะความเศร้าหรือความโกรธนี่เป็นอารมณ์และเมื่อเศร้าและเมื่อโกรธ มันก็จะปรุงแต่งความคิดให้คิดต่อคิดต่อไปอีกคิดจนหยุดไม่ได้วางไม่ลงก็เลยนอนไม่หลับถ้าคิดมากๆเขาก็จะเป็นบ้าคลุมครั่งเสียผู้เสียคนแต่สตินี่มันทาให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็เห็นอารมณ์ของตัวเมื่อเรารู้ทันความคิดแลวเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ มันก็ครอบงามจิตใจเราได้ยากและมันจะชักพาชีวิตจิตใจของเรานะไปตามทิศทางต่างๆนานาก็ยากเหมือนกันอาการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันเป็นวิธีสำคัญมากนะที่จะช่วยทำให้เรารู้ทันความคิดแล้วก็ไม่เผลอเข้าไปในความคิด จริงๆแล้วเนี่ยที่เมื่อกี้พูดว่าคนเราทุกข์เพราะความคิดเนี่ยมันก็ยังไม่ถูกทีเดียวนะต้องพูดใหม่ว่าทุกข์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับความคิดไม่เป็นคือถ้าเราเกี่ยวข้องกับความคิดถูกนะมันไม่ทุกข์ก็ได้นะคือถ้าเรารู้จักใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์นะ่ยเวลาเราเจอ ปัญหาเจอวิกฤตในชีวิตความคิดทั้งก็ผพาสามารถพาให้เราหลุดจากความทุกข์ได้อย่างเช่นคนที่เป็นหนี้หลายล้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาลองคิดอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันเคยมีคนที่เป็นเศรษฐีพันล้านแต่ว่า พอเกิดเศรษฐกิจวิกฤตปี40ก็ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวยังไม่เท่าไหรนะเป็นหนี้อีกเป็นหนี้หลายร้อยล้านพอค่างเงินบาทมันตกนะ <S <S ไปกู้เงินต่างประเทศมาดอลลาร์ละ25บาทวันดีคืนนี้มันกลายเป็นดอลลาร์ละ50นี่เพิ่มขึ้นเท่าตัว หมดเนื้อหมดตัวเลยนะเสรษทีพันล้านแต่ว่าเขาก็สู้ชีวิตยอมไปขายแซนด์วิชนะขายแซนด์วิชชิ้นละสาสิบบาทวันหนึ่งขายได้แค่ยี่สบชิ้นแค่นั้นแหละหก0้อยบาทถูกตำรวจเทศกิจไล่นะจนกระทั่งเข้าเข้าเรียก่าพาไปใส่ตำรวจก็สองสาครั้งเขายังไม่ค่าตัวตายเลย เขาเจอทุกข์ที่หนักกว่านี้เยอะไอเราเป็นหนี้แค่เจดแปดล้านนี่แต่เขาเป็นหนี้หลายร้อยล้านเป็นพันล้านเขายังอยู่สู้ชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็กลายเป็นเศรษฐีกลับมาเป็นเศรษฐีใหม่มีกิจการที่สามารถจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะพูดว่าโอ๊ความทุกข์ของเรามปนยังเล็กน้อยมีคนที่ทุกข์กว่าเราเยอะ ให้ความคิดนี่มันก็สามารถพาเราออกจากความทุกข์ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าจริงๆแล้วความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นปัญหาปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับความคิดไม่เป็นก็คือแทนที่จะใช้ความคิดปอให้ความคิดมาใช้เรานะลากรูถูกกังไป จะพูดหมาก็ได้ว่าคนเราทุกข์เพราะว่าหลงเข้าไปในความคิดมีความคิดแต่ถ้าเรารู้ทันมันไม่เป็นปัญหาแต่ที่เป็นปัญหาเพราะเราหลงเข้าไปในความคิดหรือมิฉะนั้นก็ไปต่อต้านผักไสความคิดอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบหนึ่งนะ คนทั่วไปมีปัญหาเพราะาหลงเข้าไปในความคิดความคิดเลยกลายเป็นนายส่วนนักปฏิบัติมีปัญหาอีกแบบหนึ่งก็คือว่าทุกเพราะว่าไปปฏิเสธต่อต้านความคิดมีความคิดขึ้นมาก็ไปกดข่มมันนะก็เลยเครียดนะ เครีดเพราะว่ายิ่งกดคมมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหายยิ่งกดมันยิ่งโผร่ยิ่งคมมันก็ยิ่งผุดยิ่งหลังพกยังยิ่งหลังควานนักปฏิบัติจํานวนมากเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้มากทุกข์เพราะว่าจิตใจรู้สึกเป็นลบต่อความคิด ทำไมถึงรู้สึกเป็นลบต่อความคิดก็เพราะอยากสงบเป็นธรรมดานพาะพออยากสงบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ชอบความคิดละโดยเพาความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดพอมีความคิดเกิดขึ้นก็จะไม่ชอบแล้วเข้าไปกดข่มมันถ้ากดข่มแล้วมันหายไปมันก็น่าทําำนะแต่ว่ากดข่มแล้วมันไม่ยอมหาย มันหลบแล้วมันก็โผล่ใหมนะ่ยิ่งกดมันยิ่งโผล่ก็ยิ่งหงดหดเข้าไปใหญนะ่แล้วก็เลยยิ่งพยายามกดคมเข้าไปใหญ่สุดท้ายก็เลยเกิดอาการฟุ้งซ่านหรือสติแตกนะหลายคนนะนั่งห้านาที สร้างจังหวะห้านาทีก็นั่งไม่ไหวแล้วเพราะอะไรฟุ้งซ่านมากจริงความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มาปฏิบัติเนี่ยสามารถจะฟุ้งซ่านได้เป็นวันโดยที่ไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรเลยมีนักศึกษาคนนึงมาปฏิบัติ นั่งได้หทีก็นั่งไม่ไหวแล้วฟุ้งซ่านบอกว่าฟุ้งซ่านมากแต่แกก็ยอมแล้วว่าตอนที่ไม่มาปฏิบัติตอนอยู่ที่หมายเทลไลน์ก็ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดแต่ทําไมตอนอยู่หมายเทลไลน์ฟุ้งซ่านทั้งวันไม่เป็นปัญหาก็เพราะว่ามันหลุดเข้าไปในความฟุ้งซ่านหรือว่าชอบความฟุ้งซ่านนั้น แต่พอมปฏิบัติเนี่ยมันเจอความฟุ้งซ่านที่ไม่ชอบก็แค่นั่นแหละก็คือว่าใจที่มันไม่ชอบความฟุง้งซ่านมันก็เลยไปกดข่มเอาไว้ยิ่งเรารู้สึกลบต่อมันยิ่งเรารู้สึกเกลียดมันก็ยิ่งทำให้มันเนี่ยมีอำนาจเหนือเราเวลาเราเกลียดใครสักคนเนี่ย เราสังเกตไหมว่าเขาจะมีที่ผลต่อจิตใจของเราเพียงแค่เห็นหน้าเขาใจเราก็ร้อนรุ่มละหรือเพียงแค่ได้ยินชื่อเขาหรือมีคนเอ่ยชื่อเขาใจเราก็รู้สึกเป็นทุกข์ละเพราะอะไรเพราะเราเกลียดเขาเพราะเราโกรธเขาเมื่อเราเกลียดเราโกรธเราก็ทำให้เขามีอำนาจเหนือเราโดยที่เราไม่รู้ตัว ในทางปฏการเวลาปฏิบัติแล้วไปเกียรติรู้สึกลบต่อต้านความคิดเนี่ยก็ถ้าก็ทําให้ความคิดมันเหนียมหน้าเหนือนเราความคิดมันโผล่มาเราก็ใจกับเพื่อมทันทีเพราะเราไม่ชอบแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์แล้วเราก็บอกว่าเราทุกข์เพราะความคิดไม่ใช่หรอกเราทุกข์เพราะความรู้สึกลบหรือต่อต้านความคิดต่างหากต้องแยกให้ดีนะ ความคิดไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าความรู้สึกลบต่อต้านความคิดไม่ชอบความคิดนั่นแหละคือปัญหามันคล้ายๆกับลิงนะลิงเนี่ยมันมีทิศทางคือมันเกล็ดกะปิมากเลยถ้ามือมันไปโดนกะปิเนี่ยมันจะมันจะไม่ชอบมันไม่ชอบกลิ่นเวลามือมันโดนกะปิเนี่ยนะมันทํำยังไงเหมือนก็มือเนี่ยถู เอานิ้วถูกับต้นไม้เอานิ้วถูกับหินเพื่อให้กลิ่นกระปีหายถูเสร็จแล้วมันทำงางมันก็มือมาดมว่ากลิ่นยังมีอยู่ไหมมันไม่ชอบกลิ่นกระปีแต่มันกลับดมแล้วดมอีกนะยิ่งเกลียดก็ยิ่งคิดยิ่งเกลียก็ยิ่งยึดนะไม่ใช่ไม่ใช่ลีอย่างเดียวเราก็เหมือนกันนะถ้ามือเรานิ้วเราไปถูขี้หมาเนี่ย เราก็เอามือไปล้างเอานิ้วไปล้างเสร็จแล้วเราทำงานเอามาดมเราไม่ชอบใช่ไหมแล้วเราดมทําไมยิ่งไม่ชอบยิ่งดมใช่ไหมไอ้ลิงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่มันไม่ได้ทำแค่นั้นไงมันดมเสร็จมันก็พอมีกลิ่นค้างอยู่มันก็ถูใหม่ถูจกนกระทั่งเลือดมันไหลมือเป็นแผลนิ้วเป็นแผลแล้วมันบางทีจะไม่เลิกเลยนะน่าสงสารคําถามก็คือว่า ที่มือลิงเป็นแผลเลือดไหลเนี่ยเป็นเพราะอะไรหลายคนว่าเป็นเพราะกะปิไม่ใช่หรอกเป็นเพราะความเกียดกะปิลังหา ก, กระปิไม่ทำให้ลิงเลือดไหลนะแต่ความเกียดกะปินี่แหละที่ทำให้ลิงเลือดไหลเพราะเมื่อมัอเนเปลี่ยนมันก็ต้องพยายามกำจัดนะน่นถึงบอกว่าความคิดที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าใจเรารู้สึกเป็นลบ ไม่ชอบความคิดนะนแทนที่จะดูเฉยๆรู้เฉยๆอย่างที่ครูบาจารย์หรือหลวงพ่อเทียนสอนหลวงพ่อเทียนนั่นสอนให้รู้เฉยๆให้เราเฉยไม่ได้นะเพราะเราเกลียดไงเราเกลียดความคิดเราก็พยายามเข้าไปกดข่มความคิดไอ้ที่เราเกลียดที่เราไม่ชอบเพราะเราอยากจะสงบนะยิ่งอยากสงบอยากให้ใจสงบมาเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ชอบความฟุ้งซ่าน แลย้ยิงไม่ชอบควมวุ่นวายก็ยิงกำจัดมันไม่สามารถจะมองเฉยๆหรือรู้เฉยๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะใส่ใจด้วยก็คือว่าให้รู้ทันความรู้สึกที่เป็นลบต่อความคิดนะมันไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดนะเท่านั้นนะมันต้อง รู้ทันกระทั่งความรู้สึกที่ลบต่อความคิดด้วยจริงๆปัญหาทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่เราว่ามันเป็นมันทำให้เราทุกข์อ่ะจริงไม่ใช่หรอกความโกรธก็เหมือนกันนะความโกรธเวลามันเกิดขึ้นหรือความเบือ่อความเสงเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะถ้าเรารู้ทัน แต่พอเราไม่รู้ทันเราก็หลงเข้าไปในความคิด เ, เข้าไปในความโกรธในความเศร้านั่นก็อันหนึ่งละหรือว่าพอรู้ว่ามันเกิดขึ้นก็พยายามไปผลักสายมันกดข่มมันมันก็ทำให้ยิ่งเป็นทุกข์เข้าไปใหญ่บางคนโกรธตัวเองนะที่โกรธเคยเป็นมนะโกรธตัวเองที่โกรธนี่เราปฏิบัติทำมาต้องเยอะทำไมเรายัางโกรธอยู่ โกรธตัวเองที่โกรธอันนี้เรียกว่าโกรธซ้อนโกรธก็เลยเป็นทุกข์ไงเสียใจว่าเราเป็นปฏิบัติธรรมมาตั้งนานทำไมเรยังโกรธลูกอยู่โกรธตัวเองที่โกรธนี่รู้ทันความโกรธตัวแรกแต่ไม่รู้ทันความโกรธตัวหลังคือไม่รู้ทันใจที่มันรู้สึกลบต่อความโกรธ ให้ตรงนี้แหะคือปัญหาถ้าเรารู้ทันความโกรธนี่อันนั้นไม่ใช่ปัญหานะความโกรธเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันเป็นมันก็เห็นนะความโกรธมันก็สอนทำให้กับเราเออสอนทำให้เห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความโกรธถ้าเราถ้าเรารู้ทันมันเห็นมัน มันก็สอนทำเรื่องอนิจจังให้กับเราและต่อไปก็สอนเรื่องทุกขังอนัตตาให้กับเราด้วยความโกรธสามารถจะสอนทำให้เราได้มากพอๆกับความดีใจหรือว่าปิติปราโมทเน่งความโกรธจริงไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องเช่นหลงเข้าไปในความโกรธหรือว่าไปต่อต้านผักสามัน มันก็มืกัเสียงดังเสียงโทรศัพท์ที่ดังในศาลานี้หรือว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์จากข้างนอกหลายคนพอได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเสียงแซกเสียงหังเสียงเหล่านี้มันก็ก็จะเกิดความไม่พอใจแต่จริงๆเนี่ยเสียงมันถ้าเราสักแต่ว่าได้ยินเฉยๆนี่ก็ไม่เป็นอะไรแต่พอใจเราเนี่ยไม่ชอบเสียงนั้น พอจอแล้วไม่ชอบเสียงนั้นเราก็รู้สึกเป็นทุกข์เมื่อได้ยินเสียงนั้นแล้วเราก็จะนึกต่อไปว่าหรือนึกบนคนที่เป็นต้นเสียงทําไมเขาไม่ดับเสียงนะถ้าเสียงมันยังอยู่เราก็ยิ่งหยุดหงิดมากขึ้นแล้วยิ่งหงุดหงิดใจเราก็จะยิ่งเพง่งยิ่งจ้องจดจ่อเสียงนั้น เสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นในความรู้สึก ข, ของเราแล้วก็ระลายโสปราาของเรามากขึ้นก็ยิ่งทำให้เราโกรธใหญ่เลยแต่ที่เราโกรธนี่ที่เราทุกนี่ไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่เพราะใจที่รู้สึกลบต่อเสียงนั้นมองให้ถูกนะว่าอะไรคือตัวการงันถ้าเกิดว่าเราเกิดรู้ทันขึ้นม า, าใจเราเป็นลบ ใจเราไม่ชอบเสียงนี้พอเรารู้ทันนี่มันช่วยทําให้ความรู้สึกลบนี่มันกลายเป็นกลางได้สติมันช่วยทําให้บวกหรือลบกลายเป็นกลางนะความรู้สึกยินดียิน้ายก็ตามความรู้สึกลบชอบหรือชังก็ตามพอมีสติรู้ทันมันกลายเป็นกลางเลยนล่นเะมื่อเรามีสติเสียงจะดังยังไงเราก็ไม่เดือดเนื้อไม่ไม่เป็นไม่เดือดเนื้อล้นใจนะไม่ทุกข์ไม่ร้อน มันจะดังก็ดังไปศักต์กว่าได้ยินเรียกว่าข้าวหูซ้ายทะลุหูขวาใจไม่จับฉวยมามาให้เป็นเครื่องรบ ก, กวนจิตใจงั้นถ้าเราจับเข้าใจตรงนี้หรือปฏิบัติตรงนี้ได้ความปวดความเมื่อยก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันความปวดความเมื่อย ที่มันเป็นปัญหาเพราะเราปล่อยใจให้หลุดเข้าไปในความปวดความเมื่อยหรือเข้าไปตรึงกับความปวดความเมื่อยหรือแม่ใจเราก็ปฏิเสธไม่ยอมรับมันใจที่หลุดเข้าไปในเวทนามันก็ทุกข์นะแต่ถึงแม้ไม่หลุดแต่ว่าเข้าไปต่อต้านมันผักสมันก็คือปฏิเสธมัน บนตีโพยตีพายว่าทำไมปวดทำไมเมื่อยแบบนี้ก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีโทสะเกิดขึ้นความไม่ชอบความชังนี่ก็คือโทสะชนิดหนึ่งเมื่อเราปล่อยให้มันความรู้สึกลบความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นก็เท่ากับว่าเรากําลังสมไฟในน้อยขึ้นมาในใจคือไฟโทสะ ไอ้ตัวนี้ก็ซ้ำเติมแล้วก็ไปใหญ่คือลำพังทุกขเวทนาหรือความปวดก็อันหนึ่งแล้วเรายังปล่อยให้มันมีไฟสมไฟเข้ามาเผาใจเลาอีกนะเป็นสองเป็นสองซ้อนเลยนะเรียกว่าทุกทั้งกายทุกทั้งใจล้วนะคนที่เขามีสติเนี่ยเขาจะรู้วิธีที่จะอยู่กับความปวดความเมื่อยได้บางคนเป็นมะเร็งนะ แต่เขาก็ไม่ได้กินเขาปวดนะแต่เขาก็ไม่กินยาระงับปวดเพราะว่าเขารู้วิธีที่จะอยู่กับความปวดได้นะเขาไม่รังเกียจมันเขาไม่ผักสายมันบางทีเขาเขารู้สึกดีกับมันด้วยซ้ําคือกล่อมนะมีมีคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเวลาปวดแกก็กล่อมความปวดนะเ อ, อพูดกับมันดีๆนะว่าเอออย่ามาลบกลืนกันเลยตอนนี้ ฉันจะนอนแล้วนะเธอก็นอนด้วยแล้วกันนะอย่ามาลบกวนกันคือไม่ได้รู้สึกลบกับมันเลยแต่ว่าเป็นมิกกับมันด้วยซ้ำแล้วเขาก็สามารถจะอยู่ได้กับความปวดหรือมะเร็งโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาระงับปวดตรงข้ามคนที่ไม่มีสติเขาจะต่อสู้ต่อต้านความปวดมาก ใจเขจะพยายามผลักไสไอความอยากจะผลักไสนี่ก็เป็นโทสะอย่างที่บอกไว้แล้วเพียงแค่อยากจะผลักไสพอรู้สึกโลบ ก, กับมันนี่ก็ทุกข์แล้วนะแล้วพอผลักไสกดข่มแล้วมันไม่ไปก็ผิดหวังก็เสียใจก็ยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่นี่เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองแล้วคนที่ฉลาดนี่เขารู้ว่าเมื่อมันไม่ไปเมื่อมันไม่ไปเพราะาเหตุปัจจัยมันยังอยู่ก็ ก็ทำใจให้อยู่กับมันซะเลยเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเจ็บความปวดใจก็ไม่ทุกนะมันมีคนที่ทำได้นะและนี่คือวิธีเดียวถ้าเกิดว่าไม่มียาที่จะระงับปวดได้แทนที่จะต่อสู้กับมันเป็นศัตรูกับมันก็เป็นมิตรกับมันซะเลยหรือว่าต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนกันอันนี้ต้องใช้สติมากเลย และเราจะเราจะทํานี้แต่ก็ต้องเริ่มจากการที่เราฝึกที่จะอยู่กับความปวดความเมื่อเยเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นขณะ น, นี้ที่กําลังเกิดขึ้นปวดเมือ่อยเอออจะาไปผักสามันหรือว่าเวลายุงกัดสังเกตดูใจไม่ใจเรามันต่อต้านผักสาความปวดความคันไหมหรือว่าเราอยู่กับมันได้ให้มันปวดแต่กายใจไม่ปวดให้มันคันแต่กายใจไม่คันน ให้มันทิมแต่เนื้อแต่อย่าให้มันทิมใจด้วยไอ้ไอ้มแมลงหรือว่ามดมดหรือว่ายุงเหล่านี้อันนี้แหละนะเป็ น, เ ป, นเป็นคุณสมบัติของสตินะซึ่งเกิดซึ่งช่วยทำให้เราเนี่ยนะมีท่าทีถูกต้องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์ไม่ว่าเสียงดังหรือว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนะเรา เราเกี่ยวข้องมาอย่างถูกต้องก็คือว่าไม่ไม่เผลอหลุดเข้าไปในความคิดอารมณ์รือเวทนาหรือไปจดจ่อเสียงที่ดังแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ผักสายมันนั่นคือวางใจเป็นกลางและนี่แหละคือความหมายอีกแง่หนึ่งของคําว่ารู้ซื่อๆคือว่ารู้โดยที่ไม่ผักสายไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่หลงเข้าไปใน สิ่งเหล่านั้นใหาลองฝึกดูลองเอามาใช้กับกับการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเรายัางถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจตรงนี้ได้ในการปของเราก็จะกลายเป็นเรื่องทุกนะเพราะามันจะมีความฟุง้งมันจะมีความคิดเกิดขึ้นจนเรารุ้มล้มันเป็นความฟุ้งซ่านเวลาถ้าเป็นความคิดดีๆเราก็เรียกว่าใจลอยแต่ถ้าเป็นความคิดที่ไม่ชอบเราก็เรียกว่าความฟุ้งซ่าน เราไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเราพอใจที่จะฝันกลางวันพออ่พอแหละพราะเราชอบความคิดแต่ถ้ามันเป็นความคิดที่เราไม่ชอบเราก็เรียกว่าฟุงา้งซ่านแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์นะเวลามันเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติแต่ที่ทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าความฟุง้งซ่านแต่ทุกข์พอใจที่เป็นลบกับสิ่ง น, นต่างหากและลองจะลองวางใจให้ดีเป็นกลางแล้วมันจะไม่เป็นปัญหาสําหรับเราเอา่ะละคํานี้ก็พูดกันท่า น, นี้